เราสื่อสารกันเนี่ยราก็ด้วยควาพูดเป็นส่วนใหญ่นะเหมือนกับที่ตอนนี้เนี่ยธรรมาก็สื่อสารกับพวกเราด้วยควาพูดคมพูดนี่มันเป็นสื่อนะที่ทำให้เรารู้ว่าใครกำลังทำอะไรคิดอะไรรู้สึก อ, อย่างไรแล้วเราก็ใช้คาพูดหรือถ้อยคำนี่แหละนะในการสื่อให้คนอื่นได้รู้ ว่าเราเป็นอย่างไรคิดอะไรทำอะไรอยู่พู้ง่ายคือว่าคนเราเนี่ยอาศัยคำพูดหถ้อยคำเนี่ยนะในการส่งผ่านข้อมูลให้แก่กันและกันแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคนเราไม่ได้สื่อสารกันด้วยคำพูดอย่างเดียวนะมันมี นักวิชาการนะหรือผู้รู้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันได้จากคำพูดหรือภาษาพูดเนี่ยแค่ 7% อีก 38% ไดเนี่ยไดจากน้ำเสียงแล้วก็ที่เหลือคือ 55% เนี่ยข้อมูลมันส่งผ่านมาทางภาษากาย พูดง่ายคือว่าข้อมูลร้อยนะแต่ว่าเรารับรู้ผ่านภาษาพูดคำพูดถ้อยคำเนี่ยก็แค่เจ็ดนั่นแหละที่เหลือเนี่ยมันส่งผ่านมาทางน้ำเสียงรวมทั้งภาษากายคืออากัปกริยาเช่นใบหน้าหรือว่าท่าทางอันนี้ก็น่าคิดนะ เพราะว่าเรามักจะคิดว่าถ้อยคำหรือว่าคำพูดเนี่ยนะมันเป็นวิธีหรือเป็นการสื่อสารที่สำคัญที่สุดนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นมีวิธีอื่นที่สำคัญกว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งนะยังหนุ่มอยู่เลยนะอายุไม่ถึง20สิบ ก็เกิดเป็นอมภ่าชาั้นาานิดที่ว่านอกจากขยับเพื่อเยืย่อไม่ได้แล้วเนี่ยยังพูดไม่ได้ทำได้แค่เกลือกนะเกลือกตาลองนึกภาพนะถ้าว่าเราตกอยู่ในสภาพนั้นเนี่ยมันจะลำบากอึดอัดแค่ไหนนะ เพราะว่าต้องนอนอยู่บนเตียงสถานเดียวเลยยังดีหน่อยนะที่กินได้เคี้ยวได้ชายหนุ่มคนนี้ก็นอนติดเตียงนะอยู่นานเป็นเดือนเลยทีแรกเขารู้สึกเบื่อมากเลยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยไอ้ความที่อยู่นิ่งๆทำอะไรไม่ได้เนี่ย มก็ทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ช่างสังเกตเขามีพี่สาวน้องสาวอยู่หลายคนแล้วเขาก็สังเกตในเวลาพี่ๆคุยกันหรือน้องสาวคุยกันเนี่ยใบหน้าหรือว่าสีหน้าท่าทางอากักริยาเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยมันไปคนละทางกับคำพูดเลยเช่น คนหนึ่งบอกว่าเนี่ยความคิดเธอดีนะแต่ว่านำเสียงสีหน้าอากับกริยาท่าทางเนี่ยมันบอกไปอีกทางหนึ่งนะมันบอกว่าความคิดเธอมันไม่ได้เรื่องเลยเวลามีที่สาวเนี่ยจะให้ผลไม้กับน้องสาวเนี่ยพวกพราะว่า น้ำเสียงของพี่สาวแล้วก็ท่าทางกับกริยารวมทั้งใบหน้าเนี่ยมันบอกไปอีกทางหนึ่งนะมันบอกว่าเนี่ยฉันไม่อยากให้เธอเลยนะฉันอยากเก็บไปกินคนเดียวเวลาคนนึงบอกว่าใช่เนี่ยบอกว่าสีหน้าท่าทางน้ำเสียงเนี่ยมันบอกว่าไม่ใช่ ตรงข้ามกันเลยแล้วก็พบว่าที่น้องเนี่ยในบ้านเขาเนี่ยมันมีภาษากายหรือว่าอากับกิริยาที่บ่งบอกว่าไม่ใช่เนี่ยถึงสิถึงสบอย่างนะปากเนี่ยบอกว่าใช่นะแต่ว่าสีหน้าท่าทางใบหน้าอากับกิริยาเนี่ย เขาจำแนกอยู่แล้วเนี่ยนะเวล า, วาพูดว่าใช่แต่ว่าสีหน้าบอกไม่ใช่อากัปริยาบอกไม่ใช่เนี่ยมันมีวิธีการหรือมันแสดงออกจากสีหน้าท่าทางถึง16แบบอันนี้ก็นัว่าเขาช่างสังเกตนะแล้วทั้งหมดที่เขาสังเกตเนี่ยเขาไม่ได้บันทึกใส่กระดาษนะแต่ว่าเขาจดจำ มันก็ทำให้เขาเชื่อนะว่าหรือทาให้เขาเนี่ยตระหนักว่าคำพูดเนี่ยมันมันบอกความจริงได้แค่ส่วนเดียวแต่ว่านำเสียงใบหน้าสีหน้าท่าทากับกริยานี่มันบอกความจริงได้มากกว่ามันทำให้เขาเนี่ยได้รู้จักคนอื่นเนี่ย จากสีหน้าท่าทางจากน้ำเสียงจะเอากิย่าได้ได้ดีกว่าคำพูดที่ว่าดีกว่าเนี่ยรวมถึงว่าถูกต้องกว่าด้วยนะเพราะว่าคำพูดนี่บอกว่าใช่แต่ว่าภาษากายมันบอกว่าไม่ใช่คันพูดบอกว่าให้เธอนะแต่ภาษากายบอกว่าฉันอยากเก็บไว้คนเดียว อันนี้เป็นหนสิ่งที่คนไม่ค่อยได้สังเกตนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำพูดเนี่ยมันมันบอกอะไรแกเราเนี่ยไม่ค่อยครบท่วนเท่าไหร่แล้วก็บางทีอาจจะทำให้เราเข้าใจผิดก็ได้ในขณะที่น้ำเสียงภาษาน้ำเสียงสีหน้า ถ้าทางอากัระกริยานี่มันบอกความจริงได้ดีกว่าหรือบอกข้อมูลได้ถูกต้องกว่าในที่จริงแล้วเนี่ยมันสามารถจะบอกอะไรได้ลึกซึ้งกว่าด้วยนะบางทีลึกซึ้งกว่าคำพูดอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยหลายท่านเนี่ยท่านก็ไม่ค่อยพูดนะไม่ค่อยสอนนะ แต่ว่าเอากากกริยาหรือพฤติกรรมของท่านเนี่ยมันบอกอะไรเราเยอะแยะเลยบอกอะไรเราได้มากกว่าคำพูดของท่านแล้วก็บอกอะไรที่มันลึกซึ้งกว่าคำพูดอย่างที่เขาบอกว่าเนี่ยทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสได้เนี่ย ความสงบเย็นของครูบาอาจารย์เนี่ยบางครั้งก็ไม่สามารถจะสื่อมาด้วยคำพูดนะแต่ว่าเรารับรู้ได้รับรู้ได้ด้วยใจซึ่งบางครั้งก็ผ่านอากับกิริยาของท่านนะหรือผ่านน้ำเสียงใบหน้าของท่านรอยยิ้มของท่านบางทีคำพูดของท่านเนี่ยจะ อาจจะดุเรานะแต่ว่าใบหน้า น, ะน้ำเสียงอากับกิริยานนยมันบ่งชี้ถึงความเมตตาความห่วงให่หรือความเขียนเนี่ยท่านก็หลายเรื่องหลายอย่างท่านก็ไม่ได้สอนนะด้วยคําพูดนะแต่ท่านบอกเราผ่านการกระทําหรือบอกเราด้วยการกระทําซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองไม่ออก ก็ถ้ากับว่าน่าเสียดายนะอย่างเช่นเนี่ยเวลาท่านใช้บริขารใช้ย่ามใช้บาทใช้จีวรเนี่ยท่านก็เอาใจใส่นะดูแลอย่างดีเลยเวลาเย็บเวลาซักจีวรนี่ไม่เคยเห็นท่านบิดเลยนะไม่เคยบิดจีวรเลย น้อยมากนะเวลาท่านเวลาท่านซักท่านก็ไม่ได้ซักแบบประเภทว่าต้องบิดให้มันให้มันให้ให้น้ำเนี่ยนะสระออกมาเนี่ยท่านก็ตากไว้พึ่งแดดเอาไว้เคยถามท่านท่านก็บอกว่ า, วามันจะถ้าบิดแล้วมันก็จะเปื่อยง่าย มันจะยุ่ยง่ายนะมันจะไม่ทนก็เลยไม่แปลกใจนะผ้ารัดเอวของท่านเนี่ยมีผืนหนึ่งเนี่ยท่านใช้ถึง20ปีนะแต่ตอนหลังไม่รู้ใครทําหายไปทนะ่านไม่ได้ทําหายนะคุณนึงทาหายไปอันนี้ก็ท่านบอกเรานะแต่ไม่ได้บอกเราหรือสอนเราด้วยคำพูด แต่ว่าสอนเราบอกเราด้วยการกระทำหรือว่าการที่ท่านนะดูแลเอาใจใส่ต้นไม้เนี่ยท่านก็ไม่เคยพูดกับนะลูกศิษย์นะว่าให้ต้องดูแลใจใส่นะแต่ท่านทําเองและการากา ร, กรทําของท่านเนี่ยมันก็บอกอะไรเราได้หลายอย่างเยวกับต้นไม้นะเกี่ยวกับคุณค่าวความหมายของธรรมชาติ ซึ่งถ้าเกิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเรามองไม่ออกนะก็ก็เท่ากับว่านะขาดโอกาสสูญเสียโอกาสในการที่จะได้เข้าใจธรรมะในเรื่องของการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเช่นปัจจัยสี่หรือเครื่องบริโภคเนี่ย แต่จริงก็รวมไปถึงเรื่องอื่นด้วยนะครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้สื่อไม่ได้สอนด้วยคําพูดนะแต่ว่าท่านบอกเราด้วยการกระทำอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมองให้ออกและมันก็ไม่ใช่แค่ไม่ใช่เพราะครูบาอาจารย์เดียวนะสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเช่นธรรมชาติเนี่ย เขาก็บอกอะไรเรามากมายซึ่งมีความลึกซึ้งแตกต่างกันขึ้นหรือว่าเราจะมองได้ถึงหรือเปล่าอย่างดอกบัวเนี่ยกนะ็จะหันหน้าเข้าหาแสงสว่างคือเข้าหาดวงอาทิตย์ตลอดเวลาเยไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามบางทีอยู่ใต้ถุนกุฏินะ อย่างสมัยก่อนเนี่ยที่จริงก็หลายปีก่อนเนี่ยสาราน้ำเนี่ยมันก็จะมีดอกบัวเยอะเลยนะแล้วก็มีดอกหลายดอกที่พยายามที่หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์หันหน้าเข้าหาแสงสว่างนี่ดอกบัวบอกอะไรเราดอกบัวก็สอนอะไรเราถ้าเรามองเป็นมองออกแล้วพวกว่าออ คนเรานี่ก็ควรจะหันจิตหันใจเข้าหาธรรมะเข้าหาสิ่งที่มันเป็นแสงสว่างให้กับจิตใจอย่าเข้าหาสิ่งที่มันเป็นความดำมืดหรือทำให้ชีวิตมันหม่นหมองรวมทั้งรู้จักนะ ออกจากความทุกข์ด้วยนะความทุกข์เนี่ยบางครั้งมันก็ทําให้จิตใ จ, จหมองมัวยิ่งคิดในทางลบมันก็ยิ่งจิตก็ยิ่งดิ่งดำดำดิ่งอยู่ในความทุกข์ต้องรู้จักหันไปหาสิ่งที่มันจะให้ความหวังหรือว่าให้ทางสว่างนะั่แก่ชีวิตจิตใจ ใบบัวเหมือนกันนะเขาก็สอนเรานะแล้วเขาก็บอกเราเวลาหยดฝนตกลงมาเนี่ยหยดน้านี่มันก็ไม่ติดใบบัวเลยอันนี้เขาบอกอะไรเราแน่นอนเขาไม่ได้บอกเป็นคำพูดนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันบอกอะไรเราได้ไหลายอย่างบอกให้เราว่าเนี่ยจิตใจคนเราก็ ก็ควรจะไม่ให้กิเลสเนี่ยเข้ามาฉาบเข้ามาทาเข้ามาแปดเปื้อนน้ำไม่ซึมเข้าใบบัวฉันใดนะเราก็ไม่ควรให้กิเลสเนี่ยมันซึมเข้าไปในใจิตใจโดนทั้งไม่ให้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส น, นี้เข้ามาติดใจเหมือนกับ น, น้ำที่ไม่ติดใบบัวและเวลาน้ำไหลไหๆจยดเนี่ยมันมา มันมา ม, นมารวมอยู่ที่กลางใบบัวนะบางครั้งเนี่ยฝนตกมาเนี่ยก็จะมีน้ําหลายจุดเลยรวมกันอยู่ที่กลางใบบัวเนี่ยใบบัวทํำยังไงนะใบบัวไม่อยู่เฉยนะก็พยายามที่จะส่ายไปส่ายมาสายเพื่ออะไรนะสายเพื่อให้น้ําให้จุดน้ำเนี่ยมัน มันไหลออกไปใบบัวจะไม่ยอมเก็บกักน้ําให้เป็นภาระหรือให้มันหนักเลยอันนี้เขาบอกอะไรเรานะีบอกเราอย่าไปแบกอย่าไปยึดนะให้มันหนักอกหนักใจนั่นต้องรู้จักนะถ่ายเทมันออกไปงธรรมชาติเนี่ยเขาบอกอะไรเราหลายอย่าง แต่ว่าเดี๋ยวนี้เรามองไม่ค่อยออกเพราะว่าเราถนัดในการรับรู้ผ่านถ้อยคำ้าไม่ใช่เป็นคำพูดก็เป็นตวนัวอักษรอันนี้ก็เป็นเพราะว่าการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยมันทำให้คนเราเนี่ยรับรู้ข้อมูลเนี่ยผ่านถ้อยคำผ่านคำพูดหรือผ่าน ตัวอักษรอย่างเดียวแต่ว่าในการเรียนรู้หรือการรับรู้ข้อมูลโดยไม่ต้องผ่านถ้อยคำนะอันนี้เราชักจะเริ่มทำให้เป็นกันแล้วเพราะนั้นไม่ว่าธรรมชาติบอกอะไรเราเราก็เลยไม่เคยรับรู้ไม่เคยได้ยิน อาจารย์พท่านเนี่ยเวลาใครไปสวนโม่เนี่ยท่านก็บ่อยครั้งท่านก็จะแนะนำนะโน่นนะขึ้นไปบนเขาพุทธทองเข้าไปในเข้าไปขึ้นไปบนเขาไปฟังเสียงต้นไม้พูดนะไปฟังก้อนหินพูดหลายคนก็งงๆนะเพราะว่าฟังไม่เป็นนะฟัง เสียงจากธรรมชาติไม่เป็นนะฟังเสียงจากก้อนหินไม่เป็นเพราะว่าคุณกับหรือถนัดแต่การฟังเสียงพูดอะไรที่ไม่ใช่คำพูดเนี่ยมองไม่ออกฟังไม่เป็นตังน้าที่มันเต็มไปด้วยสาระเต็มไปด้วยศัจธรรมมากมาย เดี๋ ว, ว่าแต่ธรรมชาตินอกตัวเลยนะธรรมชาติในตัวเราเช่นรูปนีรูปเนี่ยรูปที่เราเรียวกว่าเป็นเราเนี่ยมันบอกอะไรเราเยอะแยะเลยนะถ้าเรารู้จักมองรู้จักเนี่อหูฟังมังเดี๋ยวพอเวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยโอ้เขาบอกอะไรเราหลายอย่างแต่หลายคนก็ไม่ได้ยินนะ บางทีร่างกายก็บอกว่าพักได้แล้วพักได้แล้วแต่หลายคนก็ไม่ได้ยินเพราะว่าร่างกายไม่ได้สื่อสารด้วยคำพูดนะแต่ก็จะสื่อสารในรูปของความรู้สึกนะความเหนื่อยล้าความปวดเมื่อยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่เก็ตนะ ไม่ได้ยินหรือว่ามองไม่ออกมารู้ตัวบทีก็ป่วยเท่าน้วหรือบางทีก็ปวดหลังอย่างรุนแรงปวดข้อปวดกระดูกอย่างหนักนะทั้งที่เขาส่งสัญญาณหรือว่าบอกเราเตือนเรามานานเต็มทีนะบางทีไม่ใช่แค่เป็นเดือนเป็นปีและไม่ใช่แค่นั้นนะเขายังบอก สัจธรรมให้กับเราด้วยนะว่าสังขารนี่เป็นทุกข์เป็นกองทุกข์เลยจริงๆในเวลาเจ็บป่วยเนี่ยมันก็ยิ่งเห็นได้ชัดนะว่าสังขารเนี่ยคือร่างกายนี่มันเป็นตัวทุกข์จริงๆถ้าฟังออกนะมันก็ได้ประโยชน์นะคือเกิดปัญญาอย่างอาจารย์พุทธทาสก็บอกอยู่เสมอนะว่าป่วยทุกทีก็ให้ฉลาดทุกครั้ง ฉลาดในเรื่องของสังขารฉลาดในเรื่องของไตลักนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาร่างกายไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราบังคับบัญชาไม่ได้หลวงพ่ อ, เ, อเขียนนันก็พูดนะอยู่หลายครั้งลนะว่าเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยมันคือกําไรนะเพราะว่า รูปเนี่ยหรือร่างกายเนี่ยมันกำลังบอกสัจธรรมให้กับเราแต่เราก็ไม่ได้ยินเพราะเรารู้แต่ภาษาพูดนะสิ่งที่ไม่ใช่ภาษาพูดเนี่ยทั้งที่สำคัญเหมือนกันนะแต่ว่าเรามองไม่ออกฟังไม่เป็นไม่ใช่แค่รูปจะน้ า, น า, นาก็เป็นกันนะคือใจเนี่ยมันก็บอกเรา บอกเราตลอดเวลาเลยแต่ว่าเราก็จับไม่ได้ความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็บอกเราบอกเราตั้งแต่ว่ามันไม่เที่ยงนะบอกเราว่าไม่ใช่นะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะรวมถ้าเป็นตัวเตือนนยนะเพราะว่า ไอ้ความโกรธความทุกข์ความเศร้าเนี่ยพนี้เนี่ยถ้าดูดีๆนะโอ้มันมันทำให้เราเห็นเลยนะว่าเป็นเพราะความยึดมั่นถือมัน่นเป็นเพราะความหลงจึงจมเข้าไปในความทุกข์จึงปรุงจึงแต่งไปในทางลบทางร้าย พ่คือความทุกเนี่ยมันบอกอะไรเราหลายอย่างขอให้เราเพียงแต่รู้จักมองหรือว่ารู้จักฟังให้เราต้องฉลาดนะฉลาดในการฉลาดในการฟังฉลาดในการมองหรือเรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่เขาไม่ได้สื่อออกมาเป็นถ้อยคำเดี๋ยวนี้เราติดถ้อยคำมากนะ ถ้าไม่พูดเป็นถ้อยคาเราก็จะไม่เข้าใจเลยมองไม่เป็นฟังไม่ออกเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าหากว่าดูหนังเนี่ยนะพอดูจบถามว่าเขาบอกอะไรเราเนี่ยหลายคนตอบไม่ได้นะไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเรื่องธรรมชาติหรือก้อนหินหรือว่าต้นไม้หรือใบบัวเนี่ยเอาแค่ว่าหนังเนี่ยละครเรื่องหนึ่งเนี่ยจบแล้วนี่เขาบอกอะไรเรา หลายคนก็เหมือนเด็กนะต้องต้องมีการสรุปนะถึงจะรู้ว่าเขาบอกอะไรอย่างเช่นนิทานเรื่องนี้สอนว่าเนี่ยตอนเด็กๆนี่เราอ่านนิทานแล้วก็จบลงได้ว่านิทานเรื่องนี้สอนว่าอะไรนะเช่นนิทานอีศพถ้าคนเก่งเขาไม่บอกนีว่าสอนอะไรเนี่ยให้เราไม่รู้เลยนะว่าเขาบอกอะไรเรานีนิทานไม่ใช่นิทานนิยายหรือว่าละครหรือว่าหนังเนี่ย เคยถามหลายคนนะถามว่าสนุกไหมสนุกแล้วเขบอกอะไรเราตอบไม่ได้เพราะว่าคนสร้างนี่เขาไม่ได้ลงท้ายว่าเรื่องนี้สอนอะไรเราเหมือนกับคนเขียนนิทานที่บอกอนิชานเรื่องนี้สอนอะไรเราต้องรู้จักนะไม่กว่าถอดบทเรียนหรือว่ารู้จักสรุปบทเรีย น, นจากสิ่งที่เห็นด้วยตา นะถอดออกมาเป็นถ้อยคำแต่บางอย่างก็ไม่ไมต้องถอดกมาเป็นถ้อยคาก็ได้เพราะว่าเพียงแค่รับรู้ด้วยใจเนี่ยมันก็มากพอแล้วและการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ช่วยนะที่ทำให้เราได้เห็นได้รู้สิ่งที่รูกกับนามมันได้เสือออกมาพอเรากลับมาหวนมาดูกายดูใจบ่ยบอยๆเนี่ย โดยเพราะเม่อมีความสึกตัวเนี่ยความสึกตัวเนี่ยมันจะช่วยให้เรามองออกนะว่ารูปและนามกายกับใจกำลังบอกอะไรกับเราโดยที่ม่เป็นต้องพูดออกมาเป็นถ้อยคำนะความสึกตัวเนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถที่จะถอดรหัสนะจากรูปกับนาม หรือว่ารวมทั้งสิ่งที่รอบตัวที่มากระทบตาที่กระทบรูปหูที่รูปที่กระทบตาเสียงที่กระทบหูแต่ก่อนเนี่ยมองไม่ออกว่ามันบอกอะไรเราแต่พอมีความสึกตัวเนี่ยนะและรู้จักวางความคิดลงมันก็จะเห็นได้ยินสิ่งที่ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นรูปนามหรือว่าอารมณ์ภายนอกเนะี่ยบอก กับเรานะต้องหมั่นฝึกเอาไว้นะอย่าไปสนใจแต่การเรียนรู้ผ่านถ้อยคำหรือคำพูดอันนั้นไม่ทำให้เราเนี่ยขาดโอกาสเพราะอย่างที่ผู้รู้เขาบอกนะข้อมูลเนี่ยมันส่งผ่านภาษาพูดแค่ 7% อนะ์อีกที่เหลือเนี่ยมันไม่ได้ผ่านภาษาพูดนะบางทีก็ใช่ว่าวันจะนะภาษา จริงมันมากกว่านั้นข้ามีพุทโธยืนนะ